ท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึง่งที่อารมาภาพได้มีเวลามาพบกับทัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกันและซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะ เกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมะที่จะได้เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากจากการบาเพ็ญภาวนาในทางจิตวิทยาการต่างๆไม่ว่าทาง สายกระแสะโลกและสายศาสนาเราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะ วิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรมเมื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแฝงอยู่แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายังค้นไม่พบ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 ให้ผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถจเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็นได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นบเบลอ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 เนพนโขกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมละทิพเปลือยก็ไปเป็นโยคยีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแรงก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสริฐ เป็นคนชาวจังหวัดสุรินไปอยู่ที่อินเดียถึงยี่สิบปีเราก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพราหมณมมีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนขวากบนหลามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตากหิมะ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 ท่านก็ได้ศึกษาตามรัธิกรรมฐานโบราณที่ในการศึกษาตามรัธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทาตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนธรรเซิงสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิประสาทธสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐาน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 ตัวกิเลสเทธิมานะความถนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับละทินอกอสมาธินละทีนอกพระพุทธศาสนายิ่งบำเพ็ญเก่งเท่เทาไหร่ทำได้ดีเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึง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 แต่ถ้าละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งนั่นมีหวังที่จะได้รับผลในพพหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีลห้าข้อข้อใดหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเป็นเส่ในวันนี้ก็เป็นกันว่าเป็นอนว่าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีลห้าอยู่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 จะประคับประคองติดใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอานาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นสัมมาทิฐิที่นี่หลักตััสรินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีลห้าอีกนั่นแหละ คุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้องคิดที่จะละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจนี่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 ใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทัเยอทยานผู้เท่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในเมื่อพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งๆลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหาหันแล้วก็มีคุณอย่างอันตันเหมือนกันไฟนี่ถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดไยหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหงษต้องรับทานก็ใช้ประโยชน์ดได้อย่างมหาศาล ในทำรองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกันทุกทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนที่นี้กิเลสตัณหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่าความดีเนี่ยอะไรก็ได้ แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการคลองชีพที่อยู่เป็นคฤารือหัดก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีทีนี้เราจะใช้กิเลส่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะเยอทยานอยากกล้ดบได้ดีอยากร่ําอยากรวยเราก็เอาศีลห้าข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีลห้าข้อนี้ เห็นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสุดจริกตก็กระตือรือร้นมันขยันแต่อย่าช่ออยยาโกงอย่าลักอย่าขโมยอันนี้เรียก ว, ว่าใช้กิเลสถูกถูกตามกฎถ้าหางอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลีนิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ถ้าเกิดมีคอนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยั่งค่าตลอด24ชั่วโมงท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทํางานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนยั่งคำ่ำอาเป็ตลอดวันยั่งค่ำตลอดคืนยั่งรุง่งซึ่งการกระทํานั้นไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์มาโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าเราเป็นคนขี้โรคหรือเป็นคนประพฤติผิดศีลธรรม อันนี้ขอยกอย่างมาให้ท่านฟังพอเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวทีนี้ในเมื่อกิเลสมันมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนเราพยายามใช้กิเลสเนี่ยให้มันมีขอบเขตโดยไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดผู้หนึ่งให้มันเป็นไปโดยความยุติธรรม ท, ทีนี้การที่ใช้กิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นมันก็เป็นการสร้างความดี เราอยากได้อยากรวยไม่โลภไม่โกงไม่ชออะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออธินาทานเราอยากรวยไม่จีไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทําการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปานาติบาต ท, ทีนี้เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามเพิร์นเพของความเป็นขลาวาดปกครองย่าวาเรือนเราก็ได้ทําแต่ความดีทําแต่ความดี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 พระพุทธเจ้ามุ่งที่จะห้ามไม่ให้มนุษย์ฆ่าการเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทําความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทําจิตทําใจให้โคเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการข่ขรเรขมเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาติญาณของมนุษย์จ่อมเป็นผู้มีจิตใจสูง เมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนมนุษย์ได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเจนนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทาสงครามกับโครคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวัน โลกบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโลกพยาธิเป็นตน้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพยาธิออกไปปรเดี๋ยวโอ้ยทำปานาทิบาดตายแล้วตกนรกอ่าเนี่ยปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาจรมาภาพอยู่บ่อยๆในมาเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านค้องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไรอราจายกตัวอย่าง เช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลาไส้แล้วก็ไปขอยาคุณหมอมามาแล้วพระว่าฉันจะฉันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลาไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอาบัติปาจิตติเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบาบัดโครคภัยไข้เจ็บโดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่ตนมีตัวพระก็พ้นจากอาบัติ ในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีดยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี่มันตายท่านก็ทำปานาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโครคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาพระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยา ที่นโรคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคขี้อ่าโรคขี้หิดขี้กลากอะไรพวกมเนียมันก็มีตัวของมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออรรมาเป็นสามนเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสกปรกเป็นขี้หิดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าเล้าหนาวก็เอาเข็มมาบ่งตัวขี้หิดออกมามาวางใส่แผ่นกระจกแล้วก็ไตด่ด้อมๆๆให้ดู<ม>ก็แสดงว่ามันมีตัวแต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครังพุทธการพระพิกสูก็เคยเป็น แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาธิทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคให้หายอันนี้การทําบาปกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดว่าเราจะให้ยาหรือฉันาทานยาเพื่อจะฆ่าโรคถ้าขึ้นคําว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปานาติบาตข้างนั้น เมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ถูกสมเด็จพระบรมมราชินีนาะถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพเพือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนําให้รัษฎรเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้วเมื่อจะเอามาอา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 ถ้าอย่างนันเนี่ยทํยังไงจียงจะไม่เป็นแบบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทํานั้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะเพิ่ได้ปล่อยให้เขาทําเอง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 ผที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคลงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าโดยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จรูปแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหาก ว, ว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองไม่ได้ลงมือเชือดเอง แต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบัตถ้าท่านไปคล้องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปเพราะฉะ น, นั้นในเรื่องนี้ใครๆอย่าไปสงสัยการปฏิบัติการงดแว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นดี แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นในเมื่อเรากดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั้นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทํานองนี่มันเป็นคําหยาบรผลสวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาทถ้าใครทําดีแล้วก็ตั้งใจทําดีไปอย่าเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นอย่าในทํานองที่ว่ายกตนข่มท่าน แล้วมันเป็นบาปกรรมเอาละจะมาพูดเรื่องเบตเลิดมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันแ ท, ท้ทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทําสมาธิภาวนาสําหรับหลักการทําสมาธิภาวนาในวันนี้จะนําประวัติการสอนกรรมาฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟัง ถนาอาจารย์เสาสอนกรรมาฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทโธทีนี้การภาวนาพุทโธนี่ถ้าเราจะทำเป็นพิธีรีอเป็น พ, พิธีหน่อยเราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธรูปนั่งพางสมาธิ แล้วก็ตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มัน่นนึกในใจว่าพุทโธธรรมโมสังโฆถึงสามครั้งแล้วก็ทําความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคุ ณ, ณธรรมคือความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิต ให้อยู่กับคาบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคนในเมื่อพูดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างนิ่งแล้วก็มีความสงบเด่นแล้วก็พร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะ ในตอนนี้คำภาวนาพุทโธหายไปปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเลื่อยไปนิวรห้าคือกามาฉันทา พ, พยาบาททินมิธาอุทจักปุกุจักมิคีกิจถาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปีติและความสุขและความสงบ อันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้นถ้าหากว่าสมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือเมวิตกวิจารปีติแล้วก็พร้อมด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌม า, านในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้อง ต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารณหายไปเหลือแต่ปีติติและสุกเอกขตาในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สองขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุกเอกขตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่สามเรียกว่าตติยะฌาน ขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือแต่เอกคะตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจะตุทะฌานฌาน ข, นขั้นที่4การทําสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กําหนดวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคะตาไปตามลําดับลําดับ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 สมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานหรือจตุทฌานเป็นสมาธิในขั้นต้นสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วทั่วไปของทุกทิศาสนาที่มีการทำสมาธิ รัฐการบำเพ็ญทานนี่มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนตอน้ตนๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของทานในสำนักของดาบ ท, ทั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำรานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบ ท, ทั้งสอง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 ท่านสามารถทำจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่แดคือเนวันสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพรหมในวันจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นรู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่ง คุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพเจ็ตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายไดใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอา้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่การบรรลุทานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไป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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเสียแล้วแล้วจึงย้อนหวนกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากําหนดดูลมหายใจเข้าหายเรียกว่าอนาปานสติเพราะฉะนั้นหลักอนาปานสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะ การเจริญอนาปานสติกรรมฐานการเจริญอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้นหนึ่งสามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้ประการที่สองเมื่อผู้ภาวนามีจิตตามกระแสลมรู่เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมฐานภายในตัวของเราเองได้ ประการที่สามลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจึงได้มรณานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้ว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 จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุโทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุโทโธนี่จิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิพอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอใจสงบว่างลงไปแล้วคำว่าพุโทโธหายไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ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 เป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัฏนาสติปัฏฐานสติตามรูกายเริ่มต้นด้วยการตามรูลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัฏนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนําจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกาย ในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างอันนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกายบางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปร่งไปหมดแท่งผมเห็นผมเป็นแก้วแข่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วแท่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมด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 ในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทาจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใกล้ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการส2สองแม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็าตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพ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 การทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันไปใส่อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องอจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้ แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานชสียการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องโลกของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเป็นอารมณ์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่ง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 แม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนลิกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกําลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินสีเป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้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 ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นเล้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งเอื่นจะไปก้าวกายหน้าที่กันไม่ได้นี่คือความเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเราฝึกวนอบรมสติตัวนี้ให้เป็นสตินสี่ให้เป็นใหญ่ในกายในจิตของเราแล้วสติก็กลายเป็นความเป็นใหญ่ภายในจิตของเรา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 โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยละสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุ ณ, ณธรรมจงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนปึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัว สติก็คือความะระลึกอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ะระลึกเป็นใหญ่ในการะระลึกเรียกว่าสติอินทรีย์แต่ลักษณะของสติอินทรีย์นี่ถ้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้ง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 ในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากๆมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่ต้องแช่งก็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุ ณ, ณธรรมด้วยเอ่อในเมื่อจิตสงบลงไปในตอน ต, อนตอนน้นๆนี่จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่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 การกำหนดตามโลกความคิดอันนี้แหละในเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิปัสนาเพราะความคิดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเที่ยงแต่เราจ้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรู้ซึ้งซึงซึ้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้น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 ก็ยังคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดอาตอมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามถามแล้วไปทาด้วยตนเองอยากจะให้ทุกๆ ท, ท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้ ค, คอยควบคุมบางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตถ้ายิ่ง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 ความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทําให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนมดเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นเอกการทําสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเน่ยดีที่สุดเพศย์เคเหัดไม่เป็นอุปสรรคต่อกาบรบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวช สำเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสาสาขาอนาถาบินิกะก็ยังคลองเรือนอยู่พระเจ้าสุดโททนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤหอขัดอยู่สำเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สาเร็จทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นหน้าที่อยู่ในเทศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเทศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่ อ, อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีลห้านี่ง่ายที่สุดเพราะข้อที่จะพึงผิดวินัยเนี่นมันน้อยเราเป็นคฤือข่ามีศีลห้าจะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีครัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดค้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วฉันข้าวเย็นกัภาวนาจิตไม่สง บ, บ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 ภาวนาแล้วมีอาการเคล่้มเคลิ้มอาการเคล่้มเคลิมคืออาการนอนหลับจิตมันจะหลับเหมือนกับการจะนอนหลับอย่างธรรมดาธรรมดาแต่โดยธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิที่ก้าวลงไปในระยะแรกนั้นคือการนอนหลับอย่างธรรมดามีอาการเคลิ้มเคลิมแล้วก็วูบลงไปถ้าตกใจตื่นจิตถอน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 เกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้คือหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหมอนเอาไหมไปต้มเองสาวเส็จไหมเองอันนี้มันก็เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็